เพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางแก่ชีวิตที่มืดบอดของพวกเราพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนที่ถูกเอาผ้ามาปิดตาเอาไว้ทำมาให้เราไม่สามารถ มองเห็นสิ่งต่างๆได้เราจึงต้องอาศัยคนที่มีตาคนที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้มาสอนมาบอกเราให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เปิดทูปเปิดตาของเราขึ้นมาให้ได้เห็น สิ่งต่างๆอย่างที่คนที่เขาไม่มีอะไรปิดตาสามารถเห็นได้การมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเอาสิ่งที่ปกปิดตาของเราให้ออกไปทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของเขาได้ ไม่ได้เห็นตามความรู้สึกนึกคิดของเราซีมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและจะทำให้เราต้องผิดหวังต้องเดือดร้อนต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนกับเวลาที่เราเดินไปข้างหน้าและเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่พอดีมีสาวเขาอยู่ แล้วก็เดินไปชนเสาเพราะเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเราแต่พอเราเดินไปก็ต้องเดินไปชนเสาเพราะตาเราไม่ได้เปิดดูตาของเราถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบปกปิดทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราเราก็เลยเดินเข้าไปอย่างไม่หวาดกลัว แต่พอเดินเ้าไปชนแล้วเราถึงรู้ว่าเราเจ็บตัวเพราะเรามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดการมาฟังธรรมนี้จะมาแก้ความเห็นผิดแก้ความเข้าใจผิดแก้ความไม่รู้ต่างๆให้เราได้รู้ได้เห็นเพื่อที่เราจะได้นาเอาความรู้ที่เราได้รู้นี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราเช่นถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามีหลุมมีบ่อเราก็ไม่เดินไปถ้าข้างหน้ามีงูมีสิ่งเป็นอันตรายเราก็จะไม่เดินเข้าไปหาเราก็จะเดินออกห่างข้างหน้ามีเงินมีทองเราก็จะเดินเข้าไปถ้าเราเห็นเรารู้ว่าข้างหน้าเรามีอะไรเราก็จะได้ ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เราก็เดินเข้าหาสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายเราก็เดินหนี mm hmm. นี่คือเรื่องของธรรมะธรรมะจะสอนให้พวกเราให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธี ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องพราเมื่อเราปฏิบัติกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลดีคือความสุขความเจริญ ก, ก็จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องผลเสียความทุกก็จะตามมาดังนั้นการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเรามาฟังเพื่อแสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญ ให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรานี้มีอะไรบ้างมีอยู่เจประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งก็คือให้เรารู้เหตุประการที่สองให้เรารู้ผลประการที่สให้เรารู้ตน ประการที่สให้เรารู้บุคคลประการที่หให้เรารู้สังคมประการที่6ให้เรารู้จักกาลเทศะและประการที่7ให้เรารู้จักประมาณถ้าเรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราปฏิบัติตามความถูกต้องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความจเจริญ จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมเสียตามมาดังนั้นขอให้เรามาทําความรู้จักกับความรู้เจ็ดชนิดนี้เพื่อที่เราจะได้นําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขและดับความทุกข์ดับความเสื่อมเสียตา่ตางๆให้หมดไปการรู้เหตุก็คือให้รู้ว่าเหตุนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่จะทําให้ ผลคือสิ่งที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาผลคืออะไรที่เราต้องการกันเราต้องการความสุขกันเราต้องการความเจริญกันเราไม่ต้องการความทุกข์กันเราไม่ต้องการความเสื่อมเสียกันความสุขความเจริญมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาความทุกข์ความเสื่อมเสียก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมา มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันมีเหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือการกระทาของเรานี่แหละที่เราทำกันอยู่สช่องทางด้วยกันคือทางทางใจทางวาจาและทางกายทางกายเราก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาเราก็เรียกว่าวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรม มนโนกรรมคืออะไรก็คือความนึกคิดต่างๆนี่ก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องนึกต้องคิดก่อนพอเรานึกแล้วเราค่อยสั่งให้วาจาพูดสั่งให้กายกระทําอะไรต่างๆความคิดของเราก็คิดไปได้สามทางคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางกลางกลาง จะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงมีอยู่สามทางความคิดที่เราควรจะคิดก็คือให้คิดไปในทางที่ดีแล้วก็ความคิดที่เราไม่ควรจะคิดก็คือคิดไปในทางที่ไม่ดีควรจะหยุดคิดเพราะถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีพอเราพูดไม่ดีทำไม่ดี ความเสียหายความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะตามมาถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมานี่คือเรื่องเหตุเรื่องผลพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอยากจะมีความสุขมีความเจริญเราต้องคิดดีพูดดีทำดีคิดยังไงถึงเรียกวคิดดีคิดทาประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและเกิดขึ้นกับตนเองโดยที่ไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีคิดจะมาทําบุญคิดจะเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระ เ, เองที่อยู่ในวัดนี้อันนี้เรียกว่าคิดดีเพราะจะเกิดประโยชน์กับผู้ผู้คิดและผู้ที่รับของที่ รอบความคิดของเราพอเราคิดจะมาวัดเราก็พูดคุยชวนญาติสนิทนิสายว่าให้มาวัดกันวันนี้แล้วเราก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆที่เราจะนำเอาม า, มาถวายพระพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทาง ม, มานี่เรียกว่าเป็นการคิดดีพูดดีทำดีพอเรามาถึงวัดเราได้ถวายข้าวของ ได้รับศีลดับพรเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาการผลของการทำความดีนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ของภายนอกทำความดีไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรวยขึ้นเราจะต้องมีตาแหน่งสูงขึ้นเราจะต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยออันนี้เรียกว่าเป็นผลพลอยไดจากการทำความดี ซึ่งอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูผลตรงนั้นให้ดูผลที่ใจของเราเพราะเมื่อเราทำความดีเช่นเราทำบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขมีความภูมิใจมีความเจริญมีความเมตตาทำให้ใจเราพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดา อันนี้คือความสุขความเจริญที่เกิดจากเหตุคือการคิดดีพูดดีทำดีคิดทำบุญคิดช่วยเหลือคนอื่นคิดทำประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขจากการกระทาของเราเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความเจริญขึ้นมาความเจริญของใจนี้สำคัญกว่าความเจริญของทางร่างกาย ของทางราบยศสรรเสริญเพราะมันเป็นความเจริญชั่วคราวพอร่างกายตายไปความเจริญเหล่านี้ก็หมดไปเงินทองที่ได้มาก็หมดไปตําแหน่งต่างๆที่ได้มาก็หมดไปคําสรรเสริญเยือนยอยกย่องประกาศเกียรติคุณต่างๆก็หมดไปไม่มีอะไรติดตัวไปกับเราแต่ถ้าถ้าเราทําความดี ความสุขมันจะติดไปกับใจของเราความจเจริญของใจก็จะติดไปกับเรา mm hmm. เช่นตอนนี้ใจเราเป็นมนุษย์พอเราได้มาทำบุญเราไม่ได้ไปทำบาป พ, พอตายไปใจของเราก็จะเป็นเทวดาไปได้ไปสวรรค์นี่คือเรื่องรู้เหตุรู้ผลนะเกิดจากการกระทำของเราการกระทำที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลไม่ดีคืออะไร ก็การกระทําที่จะทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อืน่นอันนี้ก็จะทําให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็จะทําให้เราไม่สบายใจเพราะเราจะกังวลว่าจะถูกไปจับไปลงโทษหรือเปล่าแล้วพอถูกจับไปลงโทษก็ต้องติดคุกติดตารางนี่คือผลที่ไม่ดีตามมาคือความทุกข์ ความเสื่อมเสียแล้วใจของเราก็จะเสื่อมลงไปใจของเราตอนนี้เป็นมนุษย์พอเราไปไปทำบาปเข้าเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตขึ้นมาอำนาจของการทำบาปจะทำให้ใจเราตกต่ำจะทำให้ใจของเราเสื่อมลงไปนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำกันถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์มีความเสื่อมเสีย ถ้าเราไม่อยากจะไปอบายอย่าทำบาปกันเพราะทำบาปแล้วเราจะต้องไปใช้กรรมในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของรู้เหตุรู้ผลเหตุก็คือการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจผลก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจความเจริญหรือความความเสื่อมของใจ อันนี้เป็นผลที่เราควรจะเข้าใจกันเพราะไม่ช่นนั้นเราจะไม่อยากจะทำบุญอยากจะทำบาปถ้าเราไปมองผลที่เกิดจากภายนอกเพราะเรามักจะเห็นว่าคนทำบาปนี้กลับร่ำรวยกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตกันคนทำบุญคนทำดีกลับไม่ได้รวยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เพราะว่าผลนั้นมันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการ ทำดีหรือทำบาสนั่นเองคนทำบาปได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าเขาโกงเขาก็เลยได้ดิบได้ดีเขาขโมยเขาก็เลยร่ำเขารวยแต่คนดีนี่กลับจนเพราะเขาเอาเงินไปทำบุญทำทานเขาก็เลยมีเงินน้อยลงไปแต่เขาไม่เดือดร้อนเขากลับมีความสุขใจมีความสบายใจคนที่รวยกลับเดือดร้อนเพราะใจนี่จะวุ่นวายจะไม่สงบ จะวิตกกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเหตุคือการกระทาของเราทางกายวาจาใจมีทำดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่วผลก็คือความดีความชั่วความสุขความเจริญเนื้อความทุกข์นี่เองขอให้เราเข้าใจตามหลักอันนี้แล้วรับลองได้ว่าชีวิตของเรา จะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญเราจะได้เจริญตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คืออา น, นิสงส์จากการรู้เหตุและรู้ผลข้อที่สามให้รู้ตนคือเราต้องรู้จักตัวเราเพราะตัวเราก็มีตำแหน่งมีฐานะ ต่างกับคนอื่นเราตอนนี้เป็นอะไรเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเป็นนักบวชเป็นสัมมาณีหรือเป็นคารวะฐานะของเรานี่มีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักหน้าที่ของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรหน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไร ถ้าเราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนหน้าที่ของเรียวก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือไม่ใช่ไปเที่ยวไปเล่นกันถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีหน้าที่ต่างกันเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงบุตรเลี้ยงที่ดามีความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีสงเสียให้เขาได้เจริญตบโ ต, ะตะอย่างมีคุณภาพ การรู้จักตนนี้สําคัญไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไปทําตัวเราให้เสียหายได้เช่นถ้าเราเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นพระเป็นเนรเรายังคิดว่าเราเป็นคาราวาสอยู่เราก็ไปทําตัวเหมือนคาราวาสไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้เขาก็จะต้องจับเราไปลงโทษจับเราไปลาศิกขา เพราะเขาจะไม่ให้เราอยู่กับเขานั่นเองเพราะจะทำให้องค์กรของเขาเสียหายถ้าใครมาบวชแล้วไม่รักษาสิงของพระเขาก็จะจับศึกมาบวชแล้วมาแอบดื่มสุรายาเมาตอนกลางคืนก็แอบออกไปเที่ยวข้างนอกเอาม่ใส่บมวกใส่เสื้อผ้าใส่กําเกงหนีเที่ยวตอนแล้วค่อยกลับมาตอนเช้าก็มาใส่จีวรถ้าเขารู้เขาก็จะจับศึก เพราะว่าไม่รู้จักตนนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้ตนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราปฏิบัติตัวของเราตามฐานะของเราเราก็จะมีแต่ความเจริญไปอย่างเดียวถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพระเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระไปรักษาศีล227ไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวเราก็จะได้กลายเป็นพระอริยเจ้าไป เพราะถ้าการทำตามหน้าที่ของเรามันจะส่งให้เราได้รับกับความสุขและความเจริญนั่นเองนี่คือการรู้ตนการรู้บุคคลก็ให้รู้คนอื่นที่เรารู้จักว่าเขาเป็นใครเพราะคนแต่และคนที่เรารู้จักก็มีหลายฐานะเช่นพ่อแม่เขาก็เป็นฐานะอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์เขาก็เป็นฐานะอย่างหนึ่งเพื่อนสนิทมิตรสหาย ก็มีฐานะอย่างหนึ่งการปฏิบัติกับบุคคลต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับคนที่เขาสูงกว่าเราก็ต้องกราบว่าเคารพมีความเชื่อฟังเช่นกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์กับเพื่อนฝูงเราก็ให้ความสนิทสนมกันเล่นกันได้หยอกกันได้กับคนที่เขาอ่อนกับเราเราก็ต้องมีความเมตตากับเขา ไม่รังแกนคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราต้องคอยดูแลต้องช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราเช่นรุ่นพี่ก็ต้องต้องดูแลรุ่นน้องเช่นปีนี้มีนักเรียนยศอ ส, อสอมอหนึ่งมาบวชเป็นสนัมมาณีรุ่นพี่ที่อยู่มอสองก็มาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่ของพี่มาช่วยเหลือรุ่นน้องที่ยัง ไม่รู้จักวิธีเป็นสัมมนเนงว่าให้ทําอย่างไรคอยบอกคอยสอนคอยช่วยคอยเตือนกัน mm hmm. นี่คือการรู้บุคคลถ้าเรารู้บุคคลแล้วเราปฏิบัติกับบุคคลอย่างเหมาะสม mm hmm. ก็จะมีแต่คนนักคนเอ็นดูคนชื่นชมในคานความประพฤติอันดีงามของเรา mm hmm. นี่เรียกว่ารู้บุคคลข้อที่ต่อมาข้อที่ห้า ก็คือให้รู้สังคมสังคมก็คือสังคมที่เราอยู่ในแต่ละสังคมนี้มีกฎกติกามีระเบียบที่เขากาหนดไว้เพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสังคมก็มีหลายชนิดสังคมในบ้านก็สังคมอย่างสังคมที่โรงเรียนสังคมที่ทำงาน สังคมของประเทศในแต่ละสังคมนี้เขาก็มีกฎมีกติกาเราต้องศึกษากฎกติกาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแล้วเราจะได้กระทาตัวของเราไม่ให้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นอยู่ในบ้านเราก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เคารพกฎกติกาของพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าถึงเวลานอนก็ต้องนอน ถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาอาบน้ำถึงเวลากินข้าวถึงเวลาทำการบ้านเราก็ต้องทำตามกฎกติกาของครอบครัวไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็มีกฎกติกาให้ให้เข้าห้องเรียนให้ทำการบ้านให้พักให้กินอาหารให้ออกกําลังกายให้เล่นกีฬาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกฎกติกาของสังคม ของประเทศชาติเขาก็มีกฎหมายคอยคอยควบคุมให้พวกเราอยู่กันโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่สร้างความเสียหายห้ามไม่ให้เราไปลักขโมยห้ามไม่ให้เราไปฆ่าผู้อื่นถ้าเราไปลักขโมยไปฆ่าผู้อื่นเขาก็จะจับเราไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะปล่อยให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้ ไปอยู่ในคุกในตารางเขาก็มีกฎกติกาของคุกของตารางอีกเหมือนกันถ้าเราไม่ทำกามกฎกติกาเดี๋ยวเราก็จะถูกลงโทษนี่คือเรื่องของการรู้จักสังคมคือให้รู้กฎกติการะเบียบธรรมเนียมต่างๆของสังคมที่เราอยู่ด้วยแล้วพยายามเคารพกฎกติกาแล้วรับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุข เราจะไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมานี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้การลเทศะการละเทสะทก็คือให้รู้การสถานที่ที่เราไปว่าควรจะทำตัวอย่างไรในแต่ละสถานที่เขามีการกระทาที่เราจะต้องเคารบทาตามเช่นเวลาเรามาวัดเราก็ต้องดูว่า เราต้องแต่งตัวอย่างไรการมาวัดการมาวัดแต่งตัวกับการไปเที่ยวแต่งตัวนี้มันไม่เหมือนกันการไปเที่ยวแต่งตัวเราอาจจะแต่งแบบสวิตสวัสโชว์สิ่งนั้นโชว์สิ่งนี้ก็ได้แต่เวลาเรามาวัดนี่เราต้องสำรวมเราต้องเรียบร้อยเราต้องปกปิดส่วนต่างๆของอวัยวะเช่นใส่เสื้อผ้าก็จะต้องต่ำกว่าเข่าลงไป เสื้อเสือก็ต้องคุมบ่าคุมไหลไม่โชวเนื้อโชหนังอะไรต่างๆแล้วเวลามาสถานที่ก็ต้องดูว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขากําลังฟังเทศฟังธรรมเราเพิ่งมาถึงเราอยากจะถวายข้าวของเราก็เดินเข้ามาถวายเลยโดยไม่สนใจว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่พอเราเดินเข้ามาก็มาบรบกวนการแสดงธรรมการฟังธรรม อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะเราต้องศึกษาให้รู้ว่าเวลาที่เราไปในแต่ละสถานที่เขามีการกระทาอย่างไรและเราก็ควรจะทำตามเขาไปงานศพก็ควรจะทำหน้าตาซึมเศร้าไม่ใช่ไปวเรละไปเล่นกันไปงานแต่งงานก็อย่าไปร้องไห้อาจายนะต้องรู้จักกาลเทศะ ต้องทำตัวให้เราเข้ากับเหตุการณ์ mm. เข้ากับสถานที่ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจไปไหนก็ไม่ทำให้วงเขาแตกแต่ถ้าเราไม่รู้จักกาละเทศะเดี๋ยวไปไหนก็ทำให้วงแตกเดี๋ยวก็ทำให้เขารังเกียจเราขับไล่เราออกจากวงนั้นเขาจะไม่อยากจะให้เขาจะไม่อยากจะเชิญให้เรามาร่วมวงกับเขาเอามาแล้วทำให้ เกิดความเสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้การละเทศะเรื่องสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็คือรู้จากประมาณคาว่าประมาณก็คือรู้ความพอดีรู้ความพอดีเช่นเวลาเราซื้อรองเท้าเราก็ต้องรู้ว่าขนาดเท้าเราขนาดไหนถ้ารองเท้าใหญ่ไปก็ใส่ไปก็หลวมถ้ารองเท้าเล็กไปใส่ไปก็คับ เจ็บเท้าไม่พอดีต้องหารองเท้าที่ขนาดพอดีกับเท้าของเราพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการกระทําอะไรต่างๆของพวกเราควรจะให้มีความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของการรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานมากเกินไปก็เป็นโทษทําให้ร่างกายกลายเป็นตุ่ม แล้วก็จะทำให้มีโรคภัยเบียดเบียน <Yeah. S 1> มีโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆตามมาถ้ารับประทานน้อยไปร่างกายก็จะสู้ผอมแล้วก็จะเกิดโรคภยยัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกันงั้นเราต้องรับประทานให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเสื้อผ้าก็เหมือนกันให้มีเสื้อผ้าพอเพียงแต่ไม่ต้องมีมากเกินไป ไม่ต้องมีเสื้อผ้าเป็นตู้เป็นห้องมีร่างกายเพียงร่างเดียวเวลาใส่เสื้อผ้าก็ใส่ข้างละชุดเดียวเท่านั้นไม่ได้ใส่ทั้งร้อยชุดพันชุดที่เรามีอยู่<ม>เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆสู้เอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่ามาทำบุญจะได้ทเราจะได้เป็นเทวดากันจะได้ไปนิพพานกันดีกว่าที่เอาเงินมาซื้อของที่ไม่จาเป็น ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจนี่คือความรู้จักความพอดีรู้จักประมาณคือไม่ให้มีมากเกินไปไม่ให้มีน้อยเกินไปมีตามความพอดีของเราแล้วชีวิตของเราจะเรียบง่ายจะสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพราะถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราจะใช้แบบฟุ่มเฟือยมีเงินเท่าไหร่ก็จะใช้มัน ซื้อของต่างๆที่เราอยากจะซื้อแล้วพอเงินหมดเราก็ต้องเดือดร้อนต้องไปหางานหาเงินหางานมาทำเงนินแล้วถ้าไม่พอใช้เราก็จะไปทำบาปกันไปลักไปขโมยไปช่อกโกงกันแต่ถ้าเรารู้จักพอดีรู้จักประมาณเราจะไม่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ตามมาเราจะมีเงินพอกินพอใช้ พราะการรู้จักประมาณก็ต้องรู้จักการใช้เงินใช้ทองคือเราต้องไม่ใช้มากกว่าที่เราหามาได้ถ้าเราหามาถ้าเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็ต้องไปขมโมยหรือไปยืมเงินคนอื่นแล้วเราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราก็จะต้องถูกเข้ามาตามทวงหนี้ทวงศินอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้เงินตามความที่เรามี รู้จักประมาณในการใช้เงินพอดีให้รายจ่ายกับรายรับพอดีกันเราก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามม า, า, า, า, า, านี่คือเรื่องของความรู้คือแสงสว่างที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง เวลาที่เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเราต้องอาศัยความรู้เหล่านี้เป็นแสงสว่างนำพาเราไปจึงขอให้พวกเราจงมารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณกันแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียว ความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายต่างๆจะไม่มีกับเราอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองราาักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญ